The ะไฟที่เบสทไลท์เนี่ยวิเศษมากเลยก็อยากจะให้ทุกคนได้ทำเพราะว่ามันเป็นการเรียนทำวิจัยมามาลงตัวทีวนี้อาจจะเสืิมอะไรบางอย่างที่ง่ายๆแต่มีพลังเขาใช้คำว่าอะไรซูเปอร์เบรนเนาะซูเปอร์เบรนโยคะเคยได้ยินไหมนะเดี๋ยวนี้การออกกำลังกายน้อยแต่มีพลังสูงแต่เมื่อก่อนใช้ เ, เวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะทำโยคะกันท่านต่างๆ หลังมาก็มีการค้นพบมีการวิจัยค้นพบในการทําโดยเทคนิควิธีต่างๆดังนั้นในการเจริญสติแต่สําหรับคนที่เจริญสติวิปัสสนาเท่านั้นนะจะทําได้แบบยั่งยืนเพราะอะไรเพราะว่าในการออกกาลังกายแต่ละอย่างนั้นต้องอาศัยความอดทนความมีฉันทะรักที่จะทําอดทนที่จะทำํำแล้วที่สําคัญคือเห็นเห็นประโยชน์ เห็นประโยชน์ที่จะทำเพราะในช่วงที่เราปฏิบัติถือว่าเป็นการเจริญสติเข้มข้นนะเป็นการเจริญสติเข้มขน้นตื่นเช้ามาตั้งแต่ที่สถึงที่ห้าก็เริ่มเลยนะแต่สำหรับคนใหม่นี่ท่าแรกาแรกนี่คงจะทำยากหนะ่อยเนาะก็ต้องหมุนตัวช้าๆนะตอนแรกๆออกมาก็ประมาณสักห้าถึงสิบรอบต่อนาทีเดี๋ยวนี้สาสี่สิบรอบต่อนาที หมุนไปหมุนมาตัวมันจะลอยนะมั น, มนะต้องทำหมุนกี่เครื่องบินเท่าไหร่เวลาหมุนนั่นนะชันๆนะก็รู้สึกว่าดีนะก็ะทําให้เป็นการบริหารท่าศีรทั้งหมดกายานุปัสสนานี่มันมีครบทั้งหกหมวดนะในการดูแลรักษาร่างกายทั้งหมดในเรื่องว่าเรื่องกายานุปัสสนาเนี่ยในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าเรื่องลมปราณอนัปปนสติสิบหกขั้นในเรื่องลมปราณโดยเฉพาะเลยนะ แล้วก็มาอิบทยืนเดินนั่งนอนให้สมดุลอิบท4รสีอบุตรย่อยแล้วกเก็บรายละเอียดในการขู้เหยียดเคลื่อนไหวทั้งหมดเล็กเล็กน้อยน้อเนี่ยพยายามเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆบางคนอาจจะเก็บใช้เวลานานหน่อยเพราะเราอยู่กับความเคยชินมาหลายหลายชีวิตแล้วเนี่ยทีนี้เราจะมาย้อนสอนเพื่อที่จะเอาความเคยชินออกในเรื่องของอิบุตร เมื่อก่อนออกมาจะเอื้อมมือไปหยิบไปทำอะไรสักอย่างโดยไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวนี้เริ่ ม, มรู้ตัวมากขึ้นนะคือมันมีชีวิตชีวานะว่าได้รู้ทันตัวเองตามโบติคนเราก็คือเวลาจะหยิบหยับจับเวยมือมันจะเบยไปด้วยอัตนมัติโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมแต่พอจะได้สติมากเข้ามากเข้าการจะโยกซ้ายย้ายขวามือเท้าเนี่ยมันจะเริ่มตระหนักรู้มากขึ้นซึ่งมันได้ลด สัญชตาตญาณแห่งความเคยชินลงเรื่อยๆนะฮะในการปฏิบัติที่ศาสนาก็เพื่อที่จะชะําระชะล้างสัญชตาตญาณความเคยชินของเราเพราะสัญชตาตญาณตัวนี้มันเป็นตัวที่จะให้นําให้เราเนี่ยไปสู่ชีวิตดั้งเดิมของเราเพราะเราทั้งหลายนี่ก็พัฒนามาจากสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเนาะสัตว์สองเท้าสี่เท้ามาเรื่อยๆแหละ จนกระทั่งมันก็ได้สั่งสมความเคยชินมาไม่รู้กี่พกี่ชาติจนมาเป็นเราในะวันนี้ทีนี้เราจะต้องในฐานะเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นพัฒนาการสูงสุดของชิงสิ่งมีชีวิตนะมีระบบสมองระบบประสาสติปัญญาระบบกล้ามเนื้อระบบไอ้ว่าต่างๆมันครบถ้วน่ะครบถ้วนกว่าสัมพสัตว์อื่นๆ เพราะฉะนั้นประโยชน์อันิี่สูงที่จะได้จากชีวิตเนี้ยมันจะต้องพัฒนาไปถึงที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ควรที่จะละเลยชีวิตของเราเลยนะว่าจะต้องพัฒนามันเป็นเรื่องอะไรที่ท้าทายมากคุณสัมพันธ์วันหนึ่งเนี่ยภาพตาขึ้นลงกี่ครั้งค่อยจําได้มั้ยไม่ได้เลยนะหมอวัฒนาเออหลวงพ่อผมเป็นหมอผ่าตัดเน่ยผมพลาดนิดเดียวหมายถึงคนไข้มันตายนะสติแค่นี้ผมยังไม่พออีกเลยอ่ามันใช้ได้น่าจะพอแล้วนะหลวงพ่อ หลวงพ่อเทียนก็ถาว่าหมอวันเหนือภาพตาขึ้นลงในกี่ครั้งเคยเคยรู้บ้างไหมโอ้โหหมอยอมเลยเออใช่หลวงพ่อผมไม่เคยรู้เลยเรื่องนี้ไม่เคยกําหนดรู้เลยเพราะใ น, นไอสติแม้แต่ผ่าตัดเนี่ยก็ยังหยาบอยู่มากเลยอ่ะอย่าว่าแต่หายใจวันละกี่ครั้งภาพตาอ้าปากอะไรพวกนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องรู้หมดเลยนะเสร็จแล้วเรื่องของ การตามดูกายเนะี่ยตามดูลมหายใจเข้าออกวันวันหนึ่งใครบ้างที่หายใจลึกๆวันละครึ่งชั่วโมงบ้างต่อเนื่องกันมีไหมหายใจเข้าออกลึกๆพอแทบจะจําไม่ได้เลยใช่ไหมลมหายใจแต่ในนั้นเขาบอกฮลมหายใจอทีคังว่าอาซาสั้นโดทีคัองอาซาซามีติประชาณติเมื่อหายใจเข้ายาข้อลึก ก็ให้รู้หายใจเขา้าลึกหายใจออกยาวไวให้รู้ว่ายาวแต่หลังก็เอาเลยเอาทฤษฎีของอะไรสมาธิบำบัดแบบเอ็เคนะ mm hmm. เข้ามาผสมะสานด้วย mm hmm. ข้อนี้อาจจะมีด้วยนะฮะ mm hmm. ก็มีการพัฒนาหลักสูตรมาเรื่อยๆจนกระทั่งม า, าถึงยกุยกยุคของเรานี่ถือว่าเป็นการาพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วว่าการจะได้ สติสมาธิปัญญาในเวลาอันสั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ลนะนะเพราะว่าเราพยายามใช้อานาใช้กายานุปัสนาเนี่ยให้ครบถ้วนให้มากที่สุดอ่าที่เราฝึกลมหายใจนั่งตัวตรงชูหาใจเข้าออกลึกๆมันก็จะไม่ค่อยง่วงการที่เราง่วงเพราะหายใจสั้นใช่หหายใจสั้นนักที่ยิ่คือ้นไปเลี้ยงสมองไม่พอแต่พอหายใจยาวพับเนี่ย ออกซิเจนมีมากพอสมองก็สดชื่นนะถ้าหากว่ากันไว้นิดหนึ่งมันก็ตัวออกซิเจนก็สวิตเป็นเอ็นไซ์ไปบำรุงสมองอีกต่างหากใช่เฉพาะตัวอานาปนาสตินะทีนี้ในอีบุตรใหญ่อีบตรย่อยนี่ถือว่าเป็นการผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ต่อมาก็ทาสี่นะเราตื่นเช้ามาเราทำทาสี่ก่อนเลยในช่วงกับกําลังกายเนี่ยเรามีท่าไหนที่แสดงตัวมาเด่น ทัดไฟและทัดลมใช่ไ่าเพราะว่าทัดไฟหมายถึงความเล่าร้อนความเจ็บปวดในขณะที่ทำแต่ทัดลมเราก็จะต้องทําลมปรานไปคู่กันด้วยในการพลิกเคลื่อนไหวร่างกายในท่าต่างๆเป็นทัดลมแล้วก็ในช่วงที่เราออกกำลังกายด้วยชุดนี้เราก็มีทัดน้ําไปด้วยเราก็ให้เตรียมน้ํำมาไว้ดื่มน้ําไปเป็นระ ย, ยะๆเป็นน้ําอุ่นนะ แล้วหลังจากนั้นช่วงเช้ามาแล้วก็มีอาหารเช้าที่สบายๆนะอาหารเช้าเบาเป็นธาตนะุดินนะดินน้ำดวไฟเราใช้ช่วงเช้าบริหารธาตุสีแล้วกลางวันเราก็จะได้ตัวอากาศาธาตุวิญญาณธาตุจิตใจที่เข้มแข็งสดชื่นไม่งัวงเงียสดชื่นแจ่มใสทีนี้อาการ32 อาการนะเอาอาการอาการ3 2มสิบสองอย่างเราไม่ใช่ว่าอวัยวะ32ส่วนนะอาการของอวัยวะ3 2มส่วนนี่มันมีกี่อาการอาการ3 2มทั้งหมดอาการหนักอาการเบาอาการไม่หนักไม่เบา3อาการอาการหนักก็เรียกว่าทุกขเวทนาอาการเบาเรียกว่าสุขเวทนาอาการครึ่งหนักครึ่งเบาเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนามีเพียง3อาการ ในสามสองเนี่ยดูแค่สามอย่างขนาดเนี้ยนั่งรู้สิกหนักไหมหนักร่างกายหนักไม่ใช่นี้แต่เยอะทีเดียวอ่ะตั้มหนักตั้งเท่าไหร่เจ็ห้าหกสิบอ่ะไม่นิด <laughs> ปูนเป็นเกือบกระสอบนะใช่ไหมทับกระปงเนี้เรานั่งไปนานๆจะนั่งได้เท่าไหร่จะพลิกไปพลิกมาหมุนไปหมุนมาเนี่ยเพราะเราหนักเนี่ยพอหุนมาเพื่อหาอะไรหาความเบาใช่ไหมอ่าก็ขนอดพลิกเนี่ยไม่หนักไม่ไมไมเบา เนี่ยมีสามาการนะเพราะฉะนั้นอาการ3าที่สอย่าไปเรียนรู้ว่านี่ผมคนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกไส้ใหญ่ไส้เนื้อยอาหารไม่อาหารเก่าตับไตไส้ปูมไม่ต้องไปไปไปเอาอาการมีแค่สามาการอาการหนักอาการเบ า, อ า, า, เบาอาการไม่หนักไม่เบานะทีนี้ในอาการสาที่สต่อไปก็อสุภะหรือเรียกว่าปฏิกูลปฏิกูลและสัญญาหรืออสุพะในร่างกายของเราในร่างกายของเร า, เรามีอสุภะกี่อย่าง อาสุภาออกมาจากร่างกายของเรากี่ทางทวารทั้งเก้าใช่ไหมตาสองหมูสองจมูกสองปากหนึ่งเป็นเจดทวารหนักทวารเบาเป็น9กนะ้าทวารทั้งเก้าเนี่ยไหลออกต้องชาระชะล้างต้องขัดต้องสีต้องข้อต้องทาต้องอุ้มตลอดนะนะเห็นไหมเป็นเรื่องของไม่สวยงามก็ออกมาจากออกมาจากลําตัวเรียกว่าอะไร ออกมาจ่างหัวออกมาทุกส่วนของร่างกายมันมีนามมาก่อนว่าไงาขี้ <laughs> ขอโทษนะออกมาจากศีสันเร็วขี้และ <c oughs> ขี้หลังแครไม่ใช่ขี้หลังแคขี้หลังแกมันวังแกหัวเราคันขี้หลังแกเรียกไปเรื่องว่าขี้หลังแคนะออกมาจากหูเห็น ไ, ไหมอันนี้คืออสุภะไม่ต้องไปพิจารณาสร้างศพ ที่โรงพยาบาลน่การพิจารณาในลักษณะของสมรฐานไม่ทันกิเลสเพราะกิเลสมันม า, มาตลบหลังเอาไปเลยแต่พอมาดูอสุภะแบบที่เราดูทุกวันเนี่ยนะตั้งแต่อาบน้ำเข้าห้องน้ำห้องท่าโอ้ดูให้ดีแล้วไม่น่าที่จะต้องรัดต้องไขในร่างกายนี้ให้พิจารณาอย่างนี้นะแต่สิ่งที่อสุภะลึกเข้าไปอีกถ้าออกมาทาง ใจก็เรียกว่าอะไรขี้เหมือนกันนะขี้เกียจขี้โกรธขี้โมโหขี้ค้านขี้บ่นขี้อะไรว่ากันนะหลายอ่ะเห็นไหมก็ออกมาทางใจขี้โลภใช่ไหมขี้โกรธขี้หลงเห็นไหมมันออกมาในทางที่ไม่ดีเป็นเอามาก็ยังหาคำคำนี้คําว่าไทยมันขี้มาจากอะไรกันแน่นะมันมาจากคําว่าขยะ เอาอีเป็นอาอาเป็นอายะเป็นมาจากคําว่าขยะขยะก็มาเป็นขี้อะไรขยะแปลว่าสิน้นแปลว่าเสื่อมขยะวิญาณธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปสิ่งไหนที่มันเสื่อมมันสิ้นมันแตกมันสลายเรียกสิ่งนั้นเรียกว่าขยะขยะมาจากคําว่าขี้เพราะฉะนั้นในตัวที่มันเสื่อมมันสิ้นไปตลอดเวลาเนี่ยเพรานะฉะนั้นคําว่าขี้จึงไม่ใช่คำหยาบเป็นคํามาจากว่าอ ะ, อะไรนะ อาสวัขยะอาสวะเนี่ยเป็นขยะของจิตอ่ะอาสวะขยะยานใช่ไหมรู้ทุกความสิ้นไปของอาสวะสิ้นไปเสื่อมไปขยะด้ยนั่นน่ะพอไปทิ้งทิ้งอะไรทิ้งขยะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานใช่ก่อนนะสำหรับผู้ใหม่นะอันนี้คนเก่าไม่ต้องไปฟังก็ได้เนาะอันนี้พูดพูดกับคนใหม่นะ คนใหม่ว่าในตอนแรกนี่ต้องเอาเรื่องร่างกายให้ชัดเจนก่อนว่ามันสัมผัสได้ง่ายมันเป็นรูปธรรมนะนท่านจะเอาเรื่องนี้ขึ้นก่อนว่ากายข้าตาสติมีสติตามดูความเป็นไปของกายตลอดนะเมื่อตามดูเลื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นส่วนย่อยอส่วนที่เป็นเขาเรียกอนนุพยัญชนะส่วนย่อยๆทั้งหลายมันคือจะมาเป็นส่วน รวมนะเขาเรียกว่าอาัดถะดูหลายอย่างให้เป็นอย่างเดียวนะดูหลายอย่างให้เป็นน้อยลงมาอาการ3ามก็ดีถ้าสีอาการ3ามอ า, าอยตดหน้า 6, อะไรทั้งนี้รวมแล้วให้มันมีแค่าสามอย่างคืออาการเบาอาการหนักอาการสบายไม่สบายอาการเฉยๆนะแล้วอาการ3ามอย่างมาจากอะไรที่นี่ สามอย่างนี่นะอาการเรียกเวทนาสามเกิดมาจากอะไรลักษณะเราเรานั่งไปนานๆรู้สึกหนักใช่ไหมทํำไงให้มันเบาการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นอาการของอะไรเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงม่เที่ยงเพราะนั้นคำว่าเปลี่ยนแปลงมาจากคําว่าอะไรอนิจจ์ใช่อ่ามาจากคาว่าอนิจจงคือการเปลี่ยนแปลงมันจะเบาขึ้นนั่งนานๆเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันทําให้เป็นอนิจจงมันหนักใช่ไหม อ่าเราไปดูว่าเป็นนิจังมันจะหนักมันก็จะเป็นทุกขังละทีนี้อาการของอนิจังคืออาการที่เบาอาการของทุกขังอาการที่หนักอาการของอนัตตาเป็นอาการที่ครึ่งหนักครึ่งเบานะแล้วก็ดูตรงนั้นทีนี้อาการหนักอาการเบาอยู่นี้เราก็ดูสองอาการนี้ไปเรื่อยๆอาการเบามันทำให้เกิดสุขเวทนาคือสบายอาการหนักถ้าไม่เกิดทุกขเวทนาคือไม่สบาย แล้วอาการไม่หนักไม่เบาเป็นอุปขม ส, สุขขวเวทนาคือยังไม่แน่คือสบายไม่สบายแล้วก็ไม่แน่ว่าจะเป็นอะไรนะให้ดูแค่นี้ก่อนดูแคบๆเข้ามาสำหรับผู้ใหม่นะทีนี้คาว่าสติมาจากอะไรเรียนกันพื้นๆก่อนนะวันนี้เนาะคาว่าสติมาจากไหนเกิดมาจากไหนสติเจน้นี้ในตัวของเรานี่มีความรู้สึกอยู่กี่อย่าง มีสามอย่างคือความรู้สึกสบายไม่สบายแล้วก็ไม่แน่สามอย่างเขาเรียกว่าเวทนาอาการเหล่านี้ไม่ว่าคนสัตว์มีเสมอเหมือนกันหมดเลยอาการที่เป็นเวทนาเนี่ยเป็นตัวสัญญาณของการมีชีวิตเขาเรียกว่าเวทนาการที่มนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าวิญญาณเข้าไปรู้ย้อนกลับ ตัวนีวิญ ญ, ญาณลยว่าย้อนกลับมาดูตัวอาการเอาตัวรู้เนี่ยย้อนกลับมาดูตัวอาการนะรับรู้เพราะนั้นวิญญาณเวทนาเวทนาแปลว่าตัวรู้สึกรู้สึกต่ออาการของกายและเวทนาแล้ววิญญาณแปลว่าตัวรับรู้อาการที่เกิดจากเวทนารับรู้อีกทีหนึ่งว่ามันเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงอาการไปอย่างนี้การที่มารับรู้ตรงนี้เรียกว่าวิญญาณ แล้วรับรู้แล้วรู้เฉยเฉยว่าอันนี้คือเป็นอาการถ้าเขาไปรับรู้ว่ามันเป็นอาการหนักของเราเบาของเราสบายของเราไม่สบายของเราลักษณะที่ว่าเห็นว่ามันเป็นของเราเนี่ยลักษณะของสัญชาติญาณแต่พอเราไม่ศึกษาอีกขั้นหนึ่งว่าเออเรารู้เฉยเฉยไม่ได้หรือรู้แบบว่าไม่ต้องเป็นเราไม่ไปต้องเป็นของเรารู้หนักเฉยเฉยรู้เบาเฉยเฉย โดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นของเรารู้เฉยๆนี่ได้ไหมได้นะการที่เข้าไปรู้ซื่อือได้เขาเรียกจากวิญญาณมันเหลือคําว่าญาณอ่าคำว่าสัญชาติสัญชาติก็หายไปคําว่าวิญญาวินก็หายไปเหลือแต่ญาณตัวเดียวเนี่ยตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบญาณสามอ่าค้นพบญาณโอ้คนเรามันมีตัวหนึ่งนะ มันมีวิญญาณแต่ด้วยถ้าเราไปทำอะไรตามวิญญาณที่มีอยู่มันจะกลายเป็นสัญชาติญาณคือตามไปอาการตามอาการนั้นไปไม่ได้หยุดดูแต่พอไรมาดู <c oughs> พอไรมาหยุดดูอาการนั้นเรียกว่าวิญญาณก็ไม่มีสัญชาตญาณก็เหลือแต่ญาณปัญญาตัวนี้เป็นที่มาของคาว่าสติคือดูรูนะ้ทีนี้ไอ้ตัวญาณญาณตัวนี้ มันก็ทําให้เราต้องมาพัฒนาเป็นทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาขึ้นมาแล้วทีนี้เราจึงมาเจริญญาณเรียกว่าเจริญวิปัสนาญาณแต่เนื่องจากว่ามันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เพอร์เฟกเราก็เริ่มต้นเป็นหนอ่อเป็นเม็ดของมันนี่ก็คื อ, คอตัวรู้ตัวนี่แหละเป็นเนื้อเป็นหนอ่อเป็นเหมือนเมล็ดของมันแต่คําว่าวิปัสนาญาณมันเหมือนโตเป็นต้นไม้ล ะ, ะสมมติเปต้นอะไรเดียดต้นมะม่วงเนี่ยนะ ความรู้สึกตัวมันกเหมือนเมล็ดมันทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ความรู้สึกตัวหรือว่าตัวซีสตัวซีทของมันเนี่ยตัวซีสนี้เป็นตัวเมล็ดพันธุ์เขาเรียกว่ามล็ดเมล็ดแห่งพันธุ์แห่งโพธินี่ยเพราะนั้นตัวรู้ตัวนี้เราก็จะพยายามหล่อเลี้ยงมันด้วยการเอาใจใส่ด้วยการดูแลสิ่งที่จะมาหล่อเลี้ยงตัวยาหรือตัวรู้นี้ตัวรู้สึกตัวนี้ให้มันเติบโตก็คือดึง จิตที่มันไปสัญชาตญาณไอ้ตัวลักษณะสัญชาตญาณมันจะเอาจิตออกไปผลักจิตออกไปอดีตอนาคตแต่พอเราดึงตัวจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันปับ๊บมันจะเหมาะมาหล่อเลี้ยงตัวเนี่ยตัวรู้สึกเนี่ยให้เติบโตตัวนี้เองมันจะก่อให้คือคําว่าสติสัมปชัญญนะนะฮะเป็นอาการต้นๆของตัวรู้ขั้นต้นๆเบสิกที่สุดของของมนุษย์ทุกคนนะว่าออให้มีสติสัมปฤดีนะ ให้รู้เนื้อรู้ตัวนะเขาจะบอกให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวทีนี้ถ้ามากขึ้นไปกว่า น, นั้นตั้งใจรู้ไม่ใช่รู้ธรรมดาตั้งใจที่จะรู้ตัวตัวตั้งใจเขาเรียกว่าสมาธิแหละตั้งใจรู้รู้ให้ชัดชัดตั้งใจรู้ไม่พอนะรู้ให้ชัดชัดเป็นอะไรเป็นปัญญา นะเพราะฉะนั้นคําว่าปัญญาที่จะนําไปสู่ตัวยานเนี่ยไม่ใช่รู้ลึกรู้รอบรู้กว้างรู้ขวางรู้ซึ่งรู้ทีท่วนไม่ใช่แปลงเงี้ยนะแปลว่าเวลาเราสวดใช่ไหมเกวราสะทุขคัณฑะสะอันตักเกียปัญญาเยทาติทำฉนัยการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดปัญญาแปลว่าปรากฏชัดปัญญาเยทาเดินไม่เชื่อคุณไปทำวัดเช้าดูดิทุกเช้าใช่ไหม พระพรธวัชธรรมฉันัยการทำที่สูตรแห่งกองทุกทั้งสินนี้จะพึงปรากฏชัดเพราะนั้นสติะระลึกรู้ตั้งใจรู้แล้วก็รู้ชัดชัดพอรู้ชัดชัดแล้วก็ศึกษาเอารู้ทั่วๆก่อนถ้ารู้ชัดนี่แปลว่าปัญญามาจากธาร่า บาลีว่าประชานาติหลวงพ่อจะแก่บาลีเนี่ยนะเพราะว่าเพื่อ อ, อ้างหลักฐานนะเรียก ว, ว่าหลวงพ่อแก่ปริยัติไม่ไหวฟังไม่รู้เรื่องนี้ก็ต้องขออนุญาตใช้เพือจะหาหลวงพ่อมั่วมาได้นะรู้ชัดตั้งใจรู้เรว่สมาธิรู้ชัดชัดเรียก ว, ว่าเป็นปัญญารู้ทั่วๆวเรียก ว, ว่าเป็นสัมปชัญญะเนี่ยมีอีกสีคำนี่นะคำที่เป็นรหัสของมันนะหนึ่งคำว่า สติสองเขาว่าสมาธิสามเขาว่าสัมปชัญญะสี่เขาว่าปัญญาที่คำว่ า, ารู้ชัดๆรู้ทางไหนบ้างคนเรามีรู้กี่ทางตามองเห็นเนี่ยรู้สีรู้แสงได้ไหมมาหนึ่งทางละถ้าเราหลับตาเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้างบนเพดานมีสีอะไรบ้างซ้ายขวาหน้าหลังรู้ไหมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเวลาวกรรมฐ า, านแบบนี้ก็ยิ่งไม่หลับตา ให้ลืมตาไว้เพื่อให้บางคลนลืมตาได้ไงพราใจมันก็ไปกับไอสิ่งที่เห็นมันไม่ไปมันเห็นเฉยเฉยมันรับรู้เขาเรียกว่าจักหุวิญญาณแต่ถ้ารู้เฉยเฉยใจไม่ไปด้วยเขารู้ว่าญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราคือเกิดทางตาญาณอ่อนๆได้ยินเหมือนกันถ้าได้ยินแล้วจิตของเราไปตอบสนองแต่สิ่งได้ยินเพราะหรือไม่เพราะชอบหรือไม่ชอบอันนั้นเป็นโสตวิญญาณนะ แต่ฟังเฉยๆโดยที่จิตก็ไม่ไปรับรู้เฉยๆรู้รู้ว่าเอออันนี้เสียงแต่ก็รู้ไม่ได้คิดตามไปลักษณะนี้ยืนญาณกายมาเป็นสูตรธรรมญาณกายมาเป็นญาณเพราะฉะนั้นตัวรู้จึงเกิดทั้งหกทางทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นคนเราก็จึงมีรัศมีอยู่หกลัศมีนะที่เรียกว่าฉับพลันสีอ่ะใช่ไหม ชพปนังลังศีเป็นอะไรเป็นชื่อของอะไรรัศมีเหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่เราเวลาเราเห็นพระนุ่นวยใจจะมีไอ้วงกลมๆอยู่ด้านหลังใช่ไม่มนี่ก็เป็นรัศมีนั่นแหละคือเอาตัวรู้ทั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไปจําลองเป็นรัศมีของของตัวปัญญาปัญญาทั้งหกทางเรียกว่าชาปนังลังศีนะแต่ไม่ไไม่ได้อล่าแบ บ, บ, บ, บ, บว่านละว่านักคนละเรื่องกัน คุณออล่าขึ้นเต็มโัวเลยน ะ, น ะ, นะ <c oughs> อันนี้คนละเรื่องนล น, นะวันนี้หมายถึงแสงสว่างทางปัญญานะทำให้เราตาเห็นหูได้ยินจมูกเดินกลิ่นลินล้มรสกายสัมผัสจิตนึกคิดให้รู้เฉยๆแต่ถ้ารู้แล้วคิดตามสิ่งเหล่านั้นไปเรียกว่าวิญญาณแปลว่ารู้ไปต่างๆอย่างต่างๆที่ แต่รวมทั้งหมดทั้งหกนั้นรวมเรียกว่ารู้ตัวเดียวเรียกว่ารู้สึกตัวอรู้แล้วกลับเข้ามาที่ตัวไงรู้แล้วกลับเข้ามาที่ตัวนั้นก็เรียกว่ารู้สึกตัวหรือว่าสติสัมปชัญญะนะก็ทวนกันตรงนี้ก่อนนะในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแล้วเวลาเราไปนั่งทำเราก็จะสังวรระวังไม่ให้ตาของเราไป ก็ไม่ถึงกับหลับตานะคือสังวรระวังมันได้เ่อเขาหลับตาหรือไม่ดูไม่ใช่นะดูแต่ดูแล้วไม่ได้คิดไปตามนั่นถือว่าสังวรละเห็นสัตว์ว่เห็ น, ดหนได้ยินทุกอย่างชัดเจนหมดแต่จิตไม่คิดตามออกไปเรือ ก, ว, กว่าได้ยินสัตวะได้ยินอารมณ์เข้ามาทุกอย่างที่ใจรับรู้หมดแต่ว่าไม่ได้คิดตามไปนั่นเรียกว่ารู้สัตว์วรู้นั่นเรียกว่าหยา ยากไหมไม่ยากนะไม่ยากค่อยคยเรียนไปนะค่อยเรียนไ ป, นะนไปแล้วก็เวลาเรานั่งปฏิบัติเนี่ยเราก็เริ่มเรียบเลียงแล้วว่าการที่มันหนักมันเบาที่กายเนี่ยเรารู้มันเฉยเฉยไม่มีคาว่าฉันหนัก ม, มีฉันเบาเราสบายเราไม่สบายไม่มีคาว่าเราเข้าไปให้รู้เฉยเฉยถ้ามันรู้สึกมันสบายก็ขยับมันนิดนึงแค่นั้นเองก็หายไปแล้วก็ทำต่อ เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องมีฉันทะมีความรักในการทํามีความรักในตัวเองความรักในร่างกายของเราอย่างทางที่ถูกต้องรักไม่ใช่เป็นการบำเพ็ญเพลินเปลยให้ร่างกายนี่มีความสวยงามมีความสุขสนุกสนานไม่ใช่เงี้ย น, นะรักในการที่จะดูแลมันให้เป็นเครื่องมือที่จะนําเราไปสู่การขัดเกลา กิเลสทั้งหลายทั้งปวงออกไปแล้วก็ดูแลมันเพ่ให้มันเจ็บป่วยง่ายๆให้มันมีความเข้มแข็งพอที่จะไปสู้กับตัวอาสวะกิเลสได้ถ้าร่างกายอ่อนแอร่างกายชีโ้โรคเงี้ยมันไปสู้ไม่ได้เฉพาะเวทนาที่เกิดจากความเจ็บป่วยก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ทําเวทนาให้เบาบางอย่าไปทําเวทนาให้หนักหน่วงเพราะนั้นการเรียนวิปัสสนาเนี่ยเราจะสบายตั้งแต่ต้นมือเลย เพราะอะไรเพราะมันจะรู้วิธีรักษาตัวเองเราจะทานอาหารที่ไม่เป็นโทษเมื่อก่อนเราทานด้วยความการบําเลอใช่ไหมกินอาหารให้ลดนําบเลอลิ้นแต่พอเรามาปฏิบัติพิพิสณาแล้วเราทานอาหารเพื่อบํารุงธาตุนะไม่ใช่บํเลอละทานเพื่อบารุงธาตุสีให้เข้มแข็ง แล้วร่างกายเราก็จะได้รับธาตุที่สมบูรณ์ทีนี้เรามาปฏิบัติศาสนาเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ไปหลงเสพรสที่เกิดจากความอร่อยเพราะการทําหน้าที่ของอยายตนะทั้งหกตาเห็นเราก็รู้แต่ว่าเราไม่ไปชอบในสิ่งที่เรารู้ไม่ได้ไปไปไปชอบในสิ่งที่เราเห็นหรือไม่ชอบในสิ่งที่เราเห็น ตัวนี้วิปัสนาทำหน้าที่ตรงที่ว่าตัดความชอบหรือไม่ชอบท่านใช้คาว่าอภิชาและโทมนัสตัดสองอย่างนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาท่านตัดผมเนี่ยจึงเหลือสององค์ครีนะเนี่ยเหลืออะไรพระพุทธเจ้าตัดผมข้างเดียวใช่ั้ยตัดแล้วไม่งอกขึ้นเลยเนะี่ยถือว่าเป็นปกติไหมผิดปกติไม่ใช่ปกติปกติมันต้องงอกขึ้นะนะหมายความว่าตัด สองอย่างออกให้มันเหลือสองอย่างตัดสองอย่างคือตัดความพอใจไม่พอใจออกไปเหลือสองอย่างคืออะไรรูป ก, กับนามเหลือกายกับใจล้วนๆไม่มีความชอบหรือไม่ชอบอยู่ในนั้นนี่ตัดอย่างนั้นหลังคือพระองค์ตัดความชอบไม่ชอบออกไปแล้วมันไม่เกิดไม่กําเริบอีกเลยถ้านอย่าบอกอย่างนั้นเถิดเจนใช้คําพูดอย่างนี้มันเป็นปรามัดแต่พอใช้คำว่าตัดผมแล้วมันไม่ออกเป็นภาษาสมมุติมันสื่อเข้าใจง่าย ท่าก็ยืมมาใช้เท่า น, นั้นเองเนะไม่ใช่ไม่งอกมันก็งอกเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเป็นภาษาสั ญ, ญลักษณ์ถมาใช้อุปามายเฉยเอาละทีนี้เมื่อเรามาปฏิบัติที่เรามายกมือนี้เพื่ออะไรบางคนสงสัยนะบางคนเคยปฏิบัติแบบหนาะแบบพูดโทแบบสัมมาระหังแบบนับลมหายใจในรูปแบบต่างๆแต่ว่าอันนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกิดตัวรู้เนือ้อรู้ตัวเท่านั้น กรรมฐานแบบใดก็ตามถ้าเราทำแล้วไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวกรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานที่ไม่ใช่วิปัสนาแต่เป็นสมถะได้อยู่สมถะนี่จะชอบความสงบชอบดิสุขชอบปิติชอบสีแสงชอบสิ่งปฏิหารวิเศษอะไรต่างๆสมถะจะออกไปในรูปแบบนั้นแต่วิปัสนานั้นจะตัดความชอบหรือไม่ชอบออกไปต้องการการความ จิตที่สงบจากการปรุงแต่งแต่ไม่ได้สงบจากอารมณ์นะตัวนี้ยากขึ้นเลยนะคําว่าสงบจากอารมณ์เนี่ยหมายความมันไม่ยอมให้มันคิดเลยไม่ยอมให้มันรับรู้อะไรเฉยๆนิ่งๆทื่อๆทั้งวันนะอันนี้เขาเรียกว่าสงบแบบสมถะแต่สงบแบบวิปัสสนาก็คือจิตรับรู้ได้ทุกอย่างจิตสามารถที่คิดได้แต่ไม่ปรุงรู้ได้แต่ไม่ปรุงอ่าเอต่างกันยังไง ร, รู้ ส่วนใหญ่เราใช้ความคิดหรือใช้ความรู้รู้แล้วมันจบแต่คิดมันไม่จบรู้หมายความว่าสมมติว่าห้าบวกห้ารู้ว่าสิบจบไหมแต่ห้าบวกห้าเป็นสิบสองจบไหมไม่จบละเพราะมันไม่มันไม่มันไม่ถูกแต่ถ้าหากว่ามาลงรวมจะจบนั้นความรู้อันใดก็ตามถ้าใช้คาว่าถูกต้อง รู้ถูกต้องสัมมาสาัมมาธิฏฐิสั ม, มาสังกัปปะรู้ถูกต้องเขดตัวความรู้นั้นมันนำไปสู่ความถูกต้องแต่ความคิดนำไปสู่ความเบี่ยงเบนออกจากความถูกต้องดังนั้นเวลาเราเห็นเราจึงสร้างตัวรู้ขึ้นมาให้รู้เฉยเฉยถ้ามันไปรู้แล้วเกิดความพอใจไม่พอใจนี่กลายเป็นความคิดถ้ารู้เฉยเฉยไม่เกิดความพอใจหรือไม่พอใจอยู่นั้นกลายเป็นความรู้ เออมันต่างยังไงถ้ารู้แบบโลกิยะคุณรู้แล้วคุณต้องรู้เรื่องต้องวิจารให้รู้เรื่องอะไรเป็นอะไรเรียนโลกิยะแต่ถ้าหากว่ารู้ในโลบุตระรู้ให้ชัดๆรู้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็จบโดยที่ไม่ต้องไปรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบมุไหนนั้นรู้เฉยๆแล้วก็จบ แต่ถ้าหากว่ารู้ในโลกียะมันรู้แล้วมันจบมันมีความชอบจะคิดต่อในทางที่ชอบถ้ามันรู้สึกไม่ชอบมันก็คิดต่อในทางที่ไม่ชอบแต่ถ้าหากมันรู้เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้คิดต่อเพราะมันไม่รู้จะคิดไปทางไหนความชอบก็มีไม่ชอบก็ไม่มีมันจะคิดไปไม่ได้เรียกว่าตัวรู้เพราะฉะนั้นเวลาเรามายกหรือมือจึงยกเฉยๆบางคนยกแล้วไม่ชอบแสดงว่ารู้ถูกไหมบางคนยกแล้วชอบก็ไม่ถูกอีก ให้ยกเฉยๆนี่เพราะฉะนั้นตัวนี้มาว่าเป็นสิ่งที่วิเศษแต่กว่าที่เราจะมาทําว่ามันดีเนี่ยโอ้มันต้องใช้เวลาพอสมควรนะตอนแรกก็ฝืนทําไปก่อนก็แล้วกันฝืนทําไปทําไปทํำเล่นๆไปอย่าไปทําจริงจังทําเพื่อให้เป็นที่ตั้งของกรรมฐานถ้าเราเอารมหายใจก็ดีพูดโธก็ดีหนอก็ดีเป็นที่ตั้งกรรมฐานเนี่ยมันค่องข้างจะสัมผัสยาก มันเป็นสัญญาแต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้สัญญาตัวนี้ใช้ประจักรู้ประยุกเนี่ยประจักรู้ว่าหนักก็มีจริงๆเวลาลงมันก็เบาก็มีจริงๆโดยที่ไป น, นึกว่าหนักว่าเบามันสัมผัสหนักเบานั้นจริงๆนะแต่ถ้าไปนึกว่าเป็นหนักเป็นเบา ก, ก็เป็นสัญญาแต่ถ้ามารับรู้ตัวหนักตัวเบาโดยโดยสัมผัสเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวปัญญาประจักรู้ชัด รูชัดที่วปัญญาเยถาม่ีกินนะแต่วรูญญ้ชัดฉะนั้นเองการปฏิบัติในวิธีนี้จึงเป็นลักษณะสุขาปฏิปทาขิปปัญญาคือปฏิบัติง่ายและรู้เร็วแต่นี่หมายถึงว่าเข้าใจถูกนะถ้าเข้าใจไม่ถูกปฏิบัติจะยากแล้วก็รู้ชา้าเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาฉะนั้นในช่วงที่พวกเราอยู่ปฏิบัติที่จะพยายามทําให้ง่าย นะแต่ไม่ใช่มักง่ายนะของง่ายๆไปทํำด้วยของมักง่ายมันก็จะใช้ไม่ได้แต่ทําให้มันเรียบง่ายทําให้มันดูง่ายแต่ไม่มักง่ายในการทํานะดังนั้นเวลาเราจะลุกเนี่ยลุกง่ายๆอย่าไปลุกยากง่ายแบบนี้นะแต่ถ้าลุกพลึดเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกลุกแบบมักง่ายพอจะลุกนึกยังลุกกับพลึดเลยนี่เรียกมักง่ายแต่ถ้าลุกแบบง่ายๆก็คือ รูปแบบสบายๆนะมันก็จะทำให้เราค่อยเรียนรู้ไปทีละขั้นละขั้นดังนั้นตั้งแต่อัตมาหรือหลวงพ่อได้เรียนวิธีได้ศึกษาปฏิบัตวิธีนี้มาเนี่ยมันรู้สึกชีวิตเปนเบาขึ้นเรื่อยๆนะทำให้เราเห็นชีวิตจิตใจแล้วก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปแต่ถ้าทำสิ่งนี้แล้วนะตัวความชอบคือราคะมันลดลง ตัวความไม่ชอบคือตัวโทสะมันลดลงและตัวความไม่รู้คือโมหะมันลดลงเมื่อราคะโทสะโมหะมันลดลงเพราะอะไรเพราะเราไปตามรู้ทันหนักเบาล้วก็ไม่หนักไม่เบาตัวเบามันก็ให้เกิดสบายเกิดสบายแล้วเราไปชอบเราไปติดใจมันเป็นราคะละที่มาของมันก็คือตัวเบานั่นแหละตัวหนักเราไม่ชอบเราไม่ อยากจะอยู่กับมันแต่มันก็ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วมันต้อต่อสู้ต่อสู้ก็กิให้เกิดไม่พอใจเป็นโทสะโทสะก็มาจากตัวอาการหนักนั่นเองนะแล้วก็ตัวโมหะมาจากที่ยังไม่ตัวเองหนักหรือเบาก็ไม่ได้รู้ชัดไม่ได้ตามรู้่ก็ก็เป็นไปตามอาการหนักฉันก็ชอบไม่เวลาเบาฉันก็ชอบเวลาหนักฉันก็ไม่ชอบอะไรทํานองนีน้มันก็จะเป็นโมหะ มันก็พัฒนามาจากตัวเนี่ยที่เขาว่าหนักเบาไม่หนักไม่เบาสามอย่างพัฒนามาจากอะไรเขาว่าเบาสบายมาจากคําว่ามีการเปลี่ยนแปลงคืออา น, นิจังเขาว่าหนักไม่สบายเพราะเราไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงปล่อยลอเลื่อยเปืยมันก็ไปทุกข์เขาเรียกว่าเป็นตัวทุกขังคือไม่สบายหนักนานๆไม่สบาย แล้วเวลาหนักแล้ก็เปลี่ยนเลยโดยไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปนทําไมเปลี่ยนเพิ่มก็ไม่รู้เกิดขึ้นอย่างไงตั้งอยู่อย่างไรดับไปในอาการหนักเบาเหล่านั้นไม่รู้นี้เป็นตัวอนัตตาเพราะฉะนั้นตัวเขาว่าหนักเบาไม่หนักไม่เบาไม่จะกก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราไม่ตามรู้นั่นเองดังนั้นวิธีการนี้จึงเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์วิปัสนาตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ต้นเลย เพราะฉะนั้นเองเราก็จะศึกษาเรื่องนี้ซ้ำซํำๆๆลงไปแต่ละวันๆเรื่องเดียวนี้แหละแต่ทําให้เป็นจริงแต่ละว่ารู้กันไปหลายเรื่องหลายราวแต่มันไม่ไม่ได้จริงสักเรื่องมันเสียเวลานะนเสียเวลาเพราะนั้นเราก็าจะทําเรื่องที่มันสัมผัสได้นี่ให้มันเป็นความตอกย้ําให้เป็นความทรงจำให้เป็นความชัดเจนให้เป็นความเข้าใจทีละขั้นละตอนไรนั้นเวลานั่งปฏิบัติมันค่อนข้างจะยาวหน่อย เพื่ออะไรเพื่อจะสักซ้อมให้เห็นชัดๆดกาใช้คําว่าสาธจัดจากรสสารดิโนคือทําต่อเนืงซ้ำซากเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการเพลินทําให้เราไปติดที่สบาย9กสิเกรสัมพัสัตว์ทั้งหลายชอบความสบายแล้วพอไปชอบความติดติดความสบายแล้วมันก็จะเพลินใช่ไหมเพราะนั่งไปสักพักแล้วมันเสพความสบายง่วง แต่พอนั่งไปเช่ว่ามันหนักมันเหนื่อยมันเมื่อยมันเกร็งรู้สึกไม่สบายใช่ไหมเราเขาจะเผลอคิดแหละอะอันนี้เราจะเรียนในวันต่อไปว่าความง่วงเกิดมาจากความติดชอบใจในความสบายแล้วก็ให้เกิดความเพลินแล้วจึงง่วงะที่ไปที่มาเข้ามานนะ ด, ดูให้เดี่ยแค่าสามตัวที่ว่างมาเมื่อกี้นะวิจัยไปให้ดีแล้วมันจะเป็นตัว ขยายตัวลึกไปลึกไปลึกไปตามลาดับทีนี้ทีนี้ตัวหนักมันเกิดความไม่สบายมันก็เผลอที่จะพลิกโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นตัวหนักหรือตัวไม่สบายทำให้เราเผลอตัวเผลอและตัวเพลินเกิดขึ้นแล้วเราไม่จำรู้จึงมาเป็นตัวเป็นตัวมหาเพราะฉะนั้นสามตัวนั้น แล้นั้นในช่วงที่เรามาเรียนวิปัสนาครั้งนี้เราจะเริ่มต้นในเรื่องเหล่านี้นะเรื่องเหล่านี้แล้วคอยบางคนที่มีพื้นฐานดีแล้วก็จะไปได้ไวจับหัวขบวนแล้วก็จะไปได้ไวแต่คนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยแล้วก็จะมาตกซ้ำย้ำเตือนแต่เรื่องนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกคุ้นแล้วสามารถจดเอาไปทำจำเอาไปใช้ในทุกสถานในการทุกเมื่อได้นี่แหละตัวนี้มันก็จะเริ่มเป็นวิปัสนาอ่อนมาแต่แรก แต่คนไหนที่ยังนิยมที่จะไปติดใจชอบใจในความสบายในความสุขในปีติในความนิ่งในความสงบก็สแสดงว่าเป็นสมถะอยู่ก็ต้องแก้นะก็ต้องแก้บ่อยๆเพราะสมถะนั้นมันของชั่วคราวสมถะเป็นยาอาถาวิปัสนาเป็นยากินนะเวลาเราปวดเราเมื่อยมาเอาเอาทานะมันมาทาหน่อยพอคลายสักพักมันก็ปวดใหม่ นี่เขาเรียกว่าตัวสมุท t เป็นยาทาแต่วิปัสนาเป็นยากินตัวยากินนรืตัว ย, ยาฉีดมันก็เข้าไปแต่ต้นตอของมันนะสําหรับคนที่เคยเข้าปฏิบัติมาสองสามครั้งแล้วเนี่ยพอเตรียมการสักให้สองวันมาแล้วนี่เนา ะ, อะสองวันมาแล้ววันที่สามเนี่ยพรุ่งนี้วันรุ่งนี้คนที่เคยเข้าเก็บอารมณ์แล้วเขาก็จะิ่มเข้าเก็บอารมณ์ละแล้วเอาคนใหม่ อย่าอาหมายถึงว่าเขาห้องส่วนตัวแล้วทําอยู่ในห้องนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อเป็นการทําวิเคราะห์วิใจัยในละเอียดในขั้นลึกว่าง่วงมันเกิดอย่างไรมันมาจากไหนเบื่อมันเกิดจากอะไรมาจากไหนได้ตั้งใจวิเคราะห์ให้เกิดปัญญาด้วยตัวเองนะเดินไปสักพักมันมันฟุ้งตามมหารู้มันอีกฟุ้งมาจากไหนตามให้เจ อ, อนั่งไปสักพักมันเบือ่อตามดูมันอีกว่าเบื่อมาจากไหน ไล่ดูมันทีละตัวละตัวละตัวไปในที่สุดรู้ที่ไปที่มาของมันมันก็จะสว่างโล่งแจ้งเลยนี่คนที่เก็บอารมณ์หมายถึงว่าจะต้องไปดูทีละตัวละขณะที่ทํานะมันเบื่อมันขี้เกียจมันเซ็งมันคิดมันฟุ้งซ่านมันง่มันเหงามันสารพัดที่มันมาแล้วก็จี้ดูทีละตัวละตัววิเคราะห์ไปในระดับวิจัยละทําวิจัยละในระดับนั้นแต่พวกเราที่จะปฏิบัติอย่างอื่นมา บ้างแต่เรามาทําวิธีนี้ใหม่วิธีนี้เป็นการทําแบบเข้าไปสู่วิปัสสนาตรงๆโดยเอาตัวรู้เป็นอารมณ์นะเราไม่เอาตัวรูปเป็นอารมณ์นะแต่เอาตัวรู้เป็นอารมณ์คือรู้เนื้อรู้ตัวที่ยกเนี่ยยกนี่ไม่ได้เอามือเป็นอารมณ์นะเอาอะไรเป็นอารมณ์เอาอะไรเป็นที่ตั้งของอารมณ์เอาตัวรู้สึกเป็นที่ตั้งของอารมณ์ไม่ใช่เอามือเอาแขนนี่เป็นอารมณ์นะเอาตัวรู้สึก เวลาเอาช้อนตักอาหารเนี่ยเรากินช้อ น, นอาารเรากินอาหารเรากินอาหารไม่ได้กินช้อนนะเหมือนกันเรายกมือนี่เราไม่ได้เอามือมาเป็นส่วนที่จะและเอาความรู้สึกจากมือเสมือนอาหารตัวนั้นจะเอามาหล่อเลี้ยงตัวอารมณ์วิปัสนาเพราะวิปัสนาั้นเอาตัวปรมัดคือตัวรู้เป็นอารมณ์แต่สมถานนั้นจะเอาตัวรูปเป็นอารมณ์เพ่งรนะูป เพ่งเสียงเพ่งกลิ่ น, นเพ่งรดเพ่งความสงบเพ่งความไม่สงบมาเป็นอารมณ์นะนั้นได้รู้คร่าวๆอย่างนี้ก่อนที่พวกเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติได้มาทางนี้ได้หมายความว่าไม่ใช่มาโดยบังเอิญ น, นะเป็นทางถูกที่เป็นทางที่เลือกสรรค์ละนะถ้าหากม า, มาทางสายนี้ไม่ใช่มาได้ง่ายๆแต่มานี่แสดงว่ามีสิ่งที่ได้สร้างมาดีแล้ว ทีนี้เราจะทำไงให้มันถูกมันตรงให้มันเห็นมักเห็นผลชัดเจนไม่ใช่มั่วไปวันวั น, วนไม่เอานะล้วก็สอบอารมณ์กันไปจนกระทั่งว่าเออชัดเจนละไม่ลังเลไม่สงสัยเวลาเรากลับไปบ้านเราก็เข้าใจพอเข้าใจแล้วมันก็เอาไปทำได้สบายทีนี้พอทำแล้วครั้งที่หนึ่งที่สองสำหรับผู้ใหม่ครั้งที่หนึ่ ง, ท, ง, ง, ท, งที่สองนี่อาจจะต้องอ เหมือนต้นกล้าใช่ไหมมาเนี่ยต้นกล้ามันยังคนไหนตั้งใจทําก็เหมือนเออต้นกล้ามันโตหน่อยกลับไปบ้านก็อาจจะปลูกได้เลยแต่บางคนปฏิบัติแล้วไม่ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างต้นกล้ามันช้ามันอ่อนอยู่กลับไปบ้านต้นกล้ามันหิวต้องกลับเอากล้าใหม่นะบางคนมาเอาหลายครั้งนะกว่ากล้าจะโตนะเอาไปบ่มเพาะเอาไปบ้านเอาไปทิ้งบ้านลืมรดน้ํามไปทําน้นทํานี่กล้าหิวอีกนะ กตายมาเอาไหมม่คุณมาทั้งหลายครั้งเจ็ดแปครั้งกล้าที่จะโตก็เลยกล้าเห็นโพธิโพธิปัญญานะตอนนั้นเองหลวงพ่อรับประกันว่าได้ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปศสองพร้อจนถึงปัจจุบันนี้นะไม่รู้สึกเบื่อเลยเพราะมันมีชีวิตชีวาขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราได้กินอาหารที่มีคุณภาพมันไม่อร่อยนะแต่มันมีคุณภาพก็เลยมาเป็นวิถีชีวิต ว่าว่าทานอาหารทุกวันน่ะไม่ได้ทานอาหารนั้นอร่อยทานอาหารที่ลดธรรมชาตินะธรรมชาติแล้วทําให้อ่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็เข้าสู่ท่ากรรมธรรมชาติดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาเหี๋ยนี้มันเป็นบูรณาการอ่าหมายเขาว่ามันสามารถที่จะทางรูปเวทนาอ่าสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะบูรณาการทั้งหมดเลยเพราะในรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้มันไปมาเป็นอานเดียวกันแล้วก็ค่อยเรียนกันไปอย่างนี้รูปแบบก็คืออย่างที่เราทําเนี่ยนองจาเดินจงกรมนี่สร้างจังหวะมีอะไรไหมในการเดินก็มีการเดินไปข้างหน้าบางถอยหลังบางเดินออกข้างบางเดินช้าบางเดินไว่บางอันนี้รูปแบบที่เราใช้นะนั่งก็เหมือนกันวันนี้ได้นั่งครบสิบสี่เจมสิบสองจังหวะเละอยอ่ะหนึ่งพระเพียบขวา สองพระเพียบซ้ายหนึ่งพระเพียบขวาสองพระเพียบซ้ายสามนั่งทับซ้นคือนั่งเทพธิดาเนาะสี่นั่งเทพประบุนักภูเขาห้านั่งชันเขานั่งแบบพระพรุ่งหนั่งคาตาบาดหนึ่งาตาบาหนึ่งนั่งแบบนี้นะคาตาบาดหนึ่งเนี่ยคือจะเป้าขาทับกันนั่งปล่อยขา ขัสมัดหน่งนี่นั่งปล่อยขาขาขาเป็นอิสระกันขัสมัสองขัสมัสาขัสมัสี 4. อ่อาเพราะฉะนั้นพวกขัสมัดมีได้สจังหวะแต่ที่สี่นี่บางคนอาจจะทาได้บางคนอาจไม่ได้เนาะอ่าทไรขานสม 4. แล้วก็ 5, <c oughs> ก็คือตรงนี้เหยียดขา 5, หเหยียดขา 6, ก็นั่งยอนขานั่งเก้าอี้ เอาใหม่นะ 1. นึ่งพเพียบภาพเพียบซ้ายสองภาพเพียบขวาสานั่งทับส้นสนั่งคู่เขา่าห้านั่งชันเขา่าหขาสมาหนึ่งเจดขาสมาสอง 8. ดขาสมสาสิ3 9. นั่งเหยียดขา 10. บนั่งเก้าอี้1อก็คือยืนยืนทำ สิบสองครับไงก็เดินจนกลุมแต่ใครจะประดิษฐ์ไปได้มากกว่านั้นก็ได้นะแต่เอาแค่นี้ก็โอ้โหทำให้ครบก็เหลือเฟือแล้วนะ <c oughs> พ่อก็เหลือเฟือแล้วให้มันเป็นเรื่องสนุกนะปฏิบัติอย่าให้เป็นเรื่องที่มันน่าเบื่อหน่าเซ็งหน่าเศร้าหน่าเหงาหน่ า, า ห, าาหามองไม่ออกนะต้องทําให้มันสดชื่นแจ่มใสแต่หามันเกิดทําปแล้วมันเซ็งมันเบื่อต้องโอ้โหเป็น question mark ขนาดใหญ่เลยนะต้องหาคําตอบให้ได้เพราะอะไรนะ เพราะอะไรก็หาถ้าทําแล้วมันไม่สนุกอย่าไปทำให้เสียเวลาต้องหาให้มันเรื่องสนุกให้ได้แต่ไม่ใช่ทําไปร้องเพลงไปไม่เอานะ <c oughs> ไปดนตรีนอน้องน้องในใจนะไม่เอก็พยายามมันเป็นการบริหารทางกายทั้งจิตไปพร้อมๆเนะือกันเอามาตั้งทําแต่เรื่องนี้มาเนี่ยโอ้โหมันมันทุกข์ไม่เป็นเลยนะมันทุกข์ก็อยากจะให้คนทั้งหลายที่มีทุกข์เนี่ยลองมาทําดูว่ามันจะเหมือนกันไหม ก็ปรากฏว่าหลายคนนะทำได้ตั้งแต่ทำเรื่องนี้มามันก็สามารถคือรู้วิธีแก้ทุกบำบัดทุกทางกายมันมีอะไรบ้างทุกทางใจมันมีอะไรบ้างแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเรื่องที่จะเป็นสาเหตุให้เรื่องทุกข์ก็มีแค่สามเรื่องเรื่องรู้สึกติดความสบายไม่ชอบความไม่สบายแล้วก็ไม่รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทาไมมันจึงเป็นอย่างนั้นมีแค่สามเรื่องแล้วมันพัฒนาไปเป็น เรื่องที่เราปฏิบติค่อนสบายเป็นราคะเป็นตันหาเป็นกามเป็นโลภเป็นอุปาทานอะไรก็ว่าไปมันพัฒนาไปจากตรงนี้ตัวเดียวไอ้เรื่องที่เราไม่ชอบมันก็มาพัฒนาเป็นความโกรธความมานะมาเป็นตัวปฏิฆะตัวพยาบาทตัวอาฆาตตัวอิจฉาลิเชยะตัวหงุดหงิดตัวโมโหมันพัฒนาไปจากตรงนี้เดียวตัวหนักตัวเดียว แต่มันออกเ ป, เป็นล่างยาวเลยเทีเดียวไอ้ตัวไม่รู้ครึ่งรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งรู้ไม่ชัดเนี่ยพัฒนาเป็นโมหะเป็นอุเปกขาเป็นอวิชาเป็นทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็น อ, อะไรอะความง่วงความฟุง้งตัวลังเลสงสัยพัฒนาไปจากตรงนี้ทั้งหมดมันรากมันแค่แค่สามรากเขาเรียกว่าอากุศลมูล เมื่อเราทำศึกษาเรื่องนี้ไปดีราคาโทสะโมหะมันเบาลงเบาลงเมื่อราคาโทสะโมหมันบาลงชีวิตมันสบายจริงๆไม่ใช่สบายธรรมดานะสบายแบบท่านใช้บรมมสุขนิพานังประมังสุขขังใช่ไหมนิพานมันเป็นยังไงมันไม่ใช่สุขแต่มันเหนือกว่าสุข สูงเนี่ยมันยังขึ้นขึลงลใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทุกข์บ้างเป็ี่ยนไปสูงบ้างเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเป็นมาเท่าสูงน่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นโบรมสูขมันไม่เปลี่ยนมันจะอยู่เของมันอย่างนั้นนี่เนี่ยนี่ที่ว่ามันเป็นนิพพานที่มันเป็นความสุขเทาวรเนีที่เราปรารถนาจะให้เป็นดังนั้นเองพวกเรามาแล้วก็เราก็จะมาศึกษาเรื่องเนี้ยให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วเราทําได้ทําในใจ แต่มีคุณสมบัติ5ประการ 1. น่ต้องมีความรักและมีศรัทธาที่จะทำา 2. ลงมือทำลงมือพิสูจน์ลงมือค้นคว้าลงมือศึกษา 3. ต้องรู้เนือ้อรู้ตัวในการทำไม่ทำอะไรแบบง่มงายแต่หนักรู้ว่าอะไรเป็นอะไร 4. ต้องตั้งใจ ทำตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจที่จะพิสูจน์ห้าต้องรู้ว่าประโยชน์มันคืออะไรผลลัพผลได้มันคืออะไรชัดๆแเราทําเนี่ยผลลัพธผลได้มันอยู่ตรงไหนห้าอย่างเนี่ยเมื่อเรามีความเข้าใจห้าอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นเหมือนเราไปค้าถ้ารู้สึกเออมันได้มีผลได้มีกําไรเออล้วก็รู้สึกสนุก ในการค้าแต่นั่นแหละในวิสัยการค้าเนี่ยมันก็มีขาดทุนมีกําไรใช่ไหมไม่มีใครได้แต่กําไรเสมอไปนะมันเป็นธรรมชาตินะบาปเป็นทุนบุญเป็นกําไรเนี่ยโ บ, บราณโบราณว่าก็มาจากกฎค่าสองอย่างสามอย่างเมื่อกี้คืออะไรเที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมไอ้สามอย่างก็มาจากสองอย่างนี่แหละแต่สองอย่างนี้คืออะไรนี่ยังไม่บอก เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะจบไวเกินไปหลวงพ่อค้นความมาไายสิบปีบอกสูตรกันง่ายๆคงไม่ไหวนะแล้วเปรียบกันเราเป็นสูตรไม่ลับแต่ลึกนิดหน่อยนะึกนิดหน่อยดังนั้นเองก็ในช่วงสีหนะวันนี้นะเราลองมาศึกษากันดูรับรองว่าถามได้ทุกเรื่องนะเรื่องเหล่านี้นะไม่ไม่มีติดขัดแต่ขอให ตั้งใจศึกษาใจคาแล้วก็ตอนมีปัญหาแล้วก็ถามกันนะจริงๆเรื่องนี้เรื่องของตัวรู้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงผู้ชายผู้เท่าผู้แก่ผู้อ่อนผู้หนุ่มผู้สาวนะแต่มันเป็นตัวรู้ล้วนๆจะทำไงให้ตัวรู้เนี่ยเด่นขึ้นมาตลอดเวลานะจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินจะกินจะดื่มจะ จับจะช่วยกระตันให้รู้ไปเรื่อยๆฝึกรู้ไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดแล้วตัวรู้ตรงนี้ก็จะกว้างขวางขึ้นกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆรับรู้ถ้ารับรู้ในพุทธแบบพุทธศาสนาไม่ใช่รับรู้โฉงฉางไปอดีตนะข้ น, นะจะรับรู้เป็นลักษณะรัศมีวงกลมรอบๆตัวเรานะนี่ก็เราโยนหินลงในน้ําตุ้ง เราจะเห็นว่าการขยายวงรัศมีของน้ํามันออกมาในรูปแบบไหนเคยสังเกตไหมเป็นกลมใช่ไ่มเท่าๆกันด้วยนะเออมันไม่มีกว้างกว่ากันหรือยาวกว่ากันเท่าๆกันเลยเพราะฉะนั้นแรงสั่นสะเทือนของการกระทบในต่างๆหัวใจหมุนลึกใจใจมันก็จะเป็นวงไขวงมันเป็นรัศมีออกไปมันเหมือนกับที่เราโยนหินลงในน้ําตัวรู้ก็ลักษณะอย่างนั้นการขยายตัวในรัศมีที่เท่าๆกัน เรียกว่าตัวรู้แต่ถ้ามันเบี้ยวยิงไปทางใดทางหนึ่งเขาเรียกว่าตัวคิดมันพุ่งไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลงังแต่ถ้ามันขยายเป็นวงรัศมีในอัตราส่วนเท่าๆกันเรียกว่าตัวรู้เขาเรียกว่าฉับพัน ร, ร, รังสีใช่ไม่ใช่สอดคล้องกันกับความเป็นโลกเป็นโลกของเราเนี่ยยลักษณะมกลมุ่มเนี่ยสอดคล้องกันอย่างนั้นตกลงเนาะเหนื่อยอยังปีนง่วงยัง ยังไม่ง่วงนะฮะพรุ่งนี้ตื่นตีเท่าไหร่ตีสามทีสี่แลนะ้วข้อที่สี่ถึงตีห้าหนึ่งชั่วโมงเราจะมาฝึกสติแบบเข้มขน้นเรียกว่า the five t r a i t i o หรื อ, อสมาธิบาบัด น, นะแบบไอ้เคทีก็ได้ได้ได้ทำกันแล้วใช่ไหมครูจีแล้วคนช่วยในฝ่ายยญิงผู้หญิงนะ แล้วก็กับผู้ชายก็แยกกันทําข้างล่างสะดวกเดียเพราะทาที่เดียวกันมันมันที่ก็ไม่พอเนาะมันแออัดแล้วก็แยกสองชั้นพอดีหลวงพ่อถึงมาเพราะเขาทำทุกเช้านะไม่ใช่ว่ามาทําตอนที่เรามาคอร์ดทำทุกเชา้าเพราะมันคือชีวิตของเราอนะ่มันคือชีวิตของเราจะทําให้เราสบายหลวงพ่อทงานหนักตลอดทั้งปีแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยนะเพราะอะไรพ่อทําชุดนี้แหละ ไม่เชื่อลองไปทำทุกวันดูสิแล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะ ม, มีครบอยู่ในนั้นหมดเลยนะตรงลงเนาะวันนี้เดินทางมาไกลามาเหนื่อยก็ขอแค่นี้ก่อนเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้มีความตั้ง อ, อกตั้งใจจะมีสิ่งที่มาลบ ก, กวนนะจะเป็นวิบากกรรมอะไรต่างๆในอดีตปัจงไหนก็ขอให้มา อย่ามาลบกวรให้เราได้ตั้งใจแล้วคุณของพระธรรมจันรคือพระพุะทธธรรมพระสงฆ์จะปกป้องคุ้มครองให้เราได้ตั้งใจได้ศึกษาเรื่องนี้ให้เราได้รับผลของการปฏิบัติอย่างแจ่มแจ้งภายใน3วันหวันนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ